ถามผมเข้าใจถูกไหมว่าการทำทานเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยถ้าหากเข้าใจผิดหรือยังทำบุญไม่ถูกอย่างไรจะขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมตอบขอสรุปง่ายๆคือถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็นนะครับประธานโทษนี่พูดตามเนื้อผ้าไม่ได้ว่ากระทบกัน แต่ผมเห็นคนตั้งคำถามแบบนี้เรือคิดทำนองนี้เมื่อใดดูแล้วทำบุญด้วยจิตของนักเก่งกำไรทุกทีคือคิดในแง่าการลงทุนที่ต้องการได้ผลตอบแทนไม่ใช่ทำทานด้วยจิตคิดสลักเอาเลยและเมื่อไม่ได้ทำทานด้วยจิตคิดสลักไม่ได้ทำเพราะอยากอนุเคราะห์อย่างแท้จริงทานนั้นก็มักมีผลน้อยหรือให้ผลช้าเนื่องจากความโลภเป็นของหนัก นอกจากทาจิตให้ทึบไม่ปลอดโปร่งเป็นกุศลเต็มที่แล้วยังบั่นทอนกำลังบุญหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เกิดผลเร็วอีกด้วยลงทุนทาธุรกิจยังมีความเสี่ยงยังผิดหวังบ้างสมหวังบ้างแล้วลงทุนในรูปแบบของทานจะให้ได้ดังใจทุกครั้งอย่างไรไหวกดแห่งกรรมวิบาก เขาไม่ได้ทำงานแบบให้ทานแล้วต้องรวยทันทีเสมอไปครับเขาดูก่อนว่าคุณค ah e ิดให้ด oh ้วยเจตนาอะไรดูว่าใจคุณจริงแค่ไหนถ้าตรวจสอบแล้วผ่านเขาก็ให้ไม่มีการอั้นไว้ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ช่งใดๆอย่างแน่นอนเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายว่าทานที่ดีต้องหลีกเลี่ยงอาการท่าไหน ผมจะพาสํารวจการทำงานของจิตขณะให้ทานแบบเก่งกำไรดังนี้ 1. ก่อนให้มีความโลภครอบงำจิตจึงมืดไม่สว่าง 2. ขณะให้อาจมีความรู้สึกดีๆบ้างจิตจึงอาจสว่างแต่ก็ยืนอยู่บนฐานของความโลภอยู่ดี 3. หลังทมจะมีความคาดหวังรอคอยชนิดแทบจะชะเงงออกมานอกหน้าต่างทุกห้านาทีว่าเมื่อไหร่ลาบจะชะลอลงมาจากฟากฟ้าเห็นชัดชัดทั้งก่อนทำรรขณะทมและหลังทาอย่างนี้ลองหาให้เจอสิครับว่ากูสนละจิตขนาดแท้อยู่ตรงไหน กฎแห่งกรรมวิบากที่ชัดเจนข้อหนึ่งคือถ้าก่อกรรมโดยมีโลภะโทสะโมหะเจืออยู่กรรมนั้นจะเป็นอกุศลหรือกระเดียดไปในทางอากุศลหรืออย่างน้อยที่สุดถึงตั้งต้นเป็นกุศลจริงก็จะถูกยั่งพื้นที่ความสว่างไปด้วยเพราะมีเงาอากุศลทาบทับอยู่ดีไม่ใช่ว่าทาบุญแบบเก่งกำไรแล้วสูญเปล่าหรอกนะครับ ผลบุญยังมีอยู่ดีเพียงแต่จะมาช้าแล้วก็ไม่หนักแน่นทำนองเดียวกับนักดนตรีที่เล่นไม่เก่งใช่ว่าทำให้เสียงดนตรีดังไม่ได้แต่ดังแล้วไม่เพราะไม่ได้จังหวะจากโคนไม่หนักแน่นเร้าใจเท่านั้นเองมาถึงข้อที่ว่าทำทานอย่างไรจะเรียกว่าเป็นทานอย่างแท้จริงเป็นบุญที่อํานวยผลใหญ่รวดเร็ว ก่อนอื่นคุณต้องเลื่อมใสว่าทานมีผลทั้งปัจจุบันและอนาคตผลปัจจุบันคือมีความสุขที่จะให้มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือมีความสุขจากการสละขยะหมักหมมพรุงพรังออกจากจิตพูดง่ายๆคือได้เสพสุขจากจิตอันทรงภาวะเมตตากรุณานั่นเองผลในอนาคตคือ การสะท้อนตอบแบบให้ไปย่อมได้มาคุณช่วยคนอื่นก็คือการสร้างแรงขึ้นมาแรงหนึ่งส่งออกไปย่อมมีแรงสะท้อนกลับเป็นการมีมือมนุษย์ช่วยเหลือหรือมีเหตุการณ์ประจวบเหมาะช่วยเหลือหรือถือกำเนิดใหม่ในแดนเกิดที่พร้อมช่วยเหลือให้คุณอยู่สบายไม่เดือดร้อน การมีความเลื่อมใสว่าทานมีผลนั้นแตกต่างจากการโลภว่าทำทานต้องได้รับผลตอบแทนคืนมาจิตคุณจะเชื่อมั่นว่ากําลังทำดีสร้างทางหน้าอบอุ่นใจให้ตนเองเดินทั้งในปัจจุบันและอนาคตก่อนทาคุณไม่คาดหวังว่าต้องได้ผลคืนเป็นเงินทองเท่าใดขณะทมคุณเป็นสุขกับบุญอันวิเศษหลังทำ คุณอิ่มใจที่ประกอบกรรมดีสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณให้จนเกิดความรู้สึกราวกับซื้อของให้ตัวเองนั่นแหละคุณทำทานอย่างแท้จริงฝึกจนถึงจุดจริงๆจะรู้ครับว่ารู้สึกอย่างไรเหมือนดีใจที่ได้ของเองเพราะเข้าใจลวงหน้าอย่างลึกซึ้งว่าผู้รับเขาจะเกิดปิติสุขและอิ่มเอมกับการใช้ของขนาดไหน แล้วคุณพลอยร่วมยินดีในระดับเดียวกันหรือเกินกว่าเขาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและทุกคนเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือมีคนจนมากกว่าคนรวยซึ่งก็สอดคล้องกันดีกับความจริงที่ว่ามีคนอยากเอามากกว่าอยากให้นี่เป็นกฎธรรมชาติ และธรรมชาติก็แสดงผลให้ดูกระจัะตาอยู่ตลอดเวลาชั่วกับชั่วกันเพียงแต่สิ่งมีชีวิตทั่วไปไม่อาจจับเหตุมาชนผลได้ถูกต้องอาศัยผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้ามาประกาศท่านทั้งยืนยันและตรัสในลักษณะขยันขยอให้ทำบุญอย่างถูกต้องทำบุญให้มากเถิดผลคือความสุขความสวัสดีย่อมบังเกิดอย่างแน่นอน ต่ว่าไปถ้าคิดตามสา ม, มัญสำนึกของคนทั่วไปที่ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้และอุปาทานก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะหลักการเบื้องต้นฝังขัดแย้งกันชอบกนอยากมีมากแต่หากให้คนอื่นไปแล้วมันจะมีมากได้อย่างไรก็ต้องมีน้อยลงนะสิเห็นด้วยตาเปล่าชัดๆนี่แหละเรามัวแต่เชื่อตาเปล่า จนลืมชำระลืองกลับมาที่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคนยิ่งคิดให้มากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเบาลงจากความโลภและความตระหนีเท่านั้นเป็นกุศลสว่างยิ่งยิ่งขึ้นเท่านั้นขอให้สังเกตเถอะครับนับให้ทานมือใหม่โดยเฉพาะที่ให้แบบนักลงทุนเก่งกำไรนั้นจะให้แบบเกรงเกรงยั้งยั้งเหนียวเหนียวไม่ค่อยให้เต็มที่หรอก สมมุติว่าในมือมีอยู่ร้อยก็จะเจียดให้เพียงหนึ่งหรือไม่ใจป้ามที่สุดก็สิบแต่เวลาหวังผลจะให้คูณแสนคูณล้านกลายเป็นเสริมความงกไปซะเนี่ยพูดง่ายๆยิ่งจนก็ยิ่งหลงประกอบเหตุแห่งความยากจนหนักเข้าไปใหญ่คำแนะนำที่ดีที่สุดคือประกอบสัมมาอาชีพขยันขันแข็งให้เต็มกำลัง และอย่าหวังรวยทางลัฐการมีอาชีพซื่อสัตย์สุจริตและความขยันขันแข็งนั้นไม่ใช่อำนวยผลเฉพาะหน้าที่การงานนะครับแต่ยังเหมือนเป็นฐานรองรับความกินดีอยู่ดีที่สมตัวในระยะยาวด้วย<ฮ><า>เมื่อประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้มาก็ลองฝึกที่จะเผื่อแผ่เจือจานได้น้อยก็ทำน้อย แต่ขอให้มีใจใหญ่เป็นหลักก็แล้วกันคุณจะพบด้วยตนเองว่าการให้ในแต่ละครั้งนั้นมีปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นกับใจตนคือเบาลงเรื่อยๆยินดีมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มใสในการให้มากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นต่อให้ไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมใดๆใจคุณก็ไม่รอแล้ว เพราะอิ่มสุขอิ่มปีติอยู่เดี๋ยวนี้แล้วตรงจุดนั้นแหละครับความช่วยเหลือจากธรรมชาติจะเริ่มไหลมาเทมาคุณไม่อยากได้ก็ต้องได้คุณไม่อยากรวยก็ต้องรวยเพื่อเอาไว้เป็นทุนทำทานเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปไงครับ